ว่าหมอคนไหนจะดีเนาะเนี่ยเราก็เอาป่วยของเราในวัดต่อไปรักษาหมอคนไหนที่ไม่หายก็หมอนั้นก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะถ้าหมอไหนเราหายเออนั่นแหละ ด, ดีอย่างนี้ก็เหมือนอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราก็เอากิเลสของเราวัดนะว่าอ่าถ้าเราปฏิบัติสํานักไหนนกิเลสเราหมดค่อยๆหมดลงหมดตรงหมดลงเนี่ย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 อนาคตของเรานะจะจินตนาการว่าเราจะต้องทาธุรกิจนนทํทำธุรกิจนี้เราจะต้องมีเงินอย่างนั้นเราต้องซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรมันมันคิดของมนได้ใช่ไหมจินตนาการมันเป็นอยู่แล้วเขาเรียกว่าจินตนาการหรือว่าสัญเจตนาหรือปรุงแต่งมันได้อยู่แล้วอันนี้เราก็เลยมาเจนตนาการตัวเองเพราะว่าธรรมชาติจินตนาการมันมีอยู่แล้ว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 ท่านประเมินภายในของท่านแล้วว่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เนี่ยต้องบรรลุแน่นอนเพราะประเมินแล้วกิจเราไม่มีดนดนดีร้ายในโลกกิจเราทําลายความเป็นหญิงเป็นชายได้แล้วไม่ช้าไม่นานนี่หรอกเราจะบรรลุแล้วก็เลยเสี่ยงทายดูเพิ่นมีถาดไงนางทุศฎ า, าเอาเอาข้าววัตถุปรรยาตไปก็เลยถาดไปล้างแล้วก็ลอยน้ําดูอธิษฐาน ด, ดูว่า